ตอนที่หความเบื่อหน่ายและเพื่อป้องกันไม่ให้พระโอรสสนพระไทยต่อสิ่งที่มีอยู่นอกกำแพงนั้นพระราชาได้ทรงจัดงานเลี้ยงดูและงานรื่นเริ ง, ต, งต่างๆแทบทุกชนิดแต่ก็ไร้ผลเช่นเคยเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะไม่ได้เป็นสุขดังพระบิดาปรารถนาไว้เลยแม้แต่น้อยพระองค์ใคร่จะทราบว่า มีอะไรอยู่นอกกำแพงที่ถูกปิดตายนั้นคนที่ไม่ใช่ลูกเจ้าลูกนายนั้นเขามีความเป็นอยู่กันอย่างไรและแล้ววันหนึ่งอันเป็นวันซึ่งพระราชาไม่สามารถจะทนความรบเร้าของพระโอรสซึ่งเคยทูลขออนุญาตซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการที่จะเสด็จออกไปทอดพระเนตรสิ่งต่างๆนอกกำแพงทรงผลัดพร โอรสสุดที่รักของพระองค์ว่าขอเวลาให้พ่อได้เตรียมสิ่งต่างๆเพื่อความสะดวกแก่ลูกรักก่อนเถิดนะพระราชารับสั่งให้แจ้งข่าวแก่ประชาชนทั้งปวงว่าพระโอรสของพระองค์จากเสด็จประพาสพระนครดังนั้นในวันที่กำหนดนี้ ให้ทุกบ้านเรือนประดับธงทิวและเครื่องห้อยอันสวยงามเหนือประตูหน้าต่างประดับด้วยดอกไม้บ้านเรือนต้องเช็ดถูทําความสะอาดทาสีใหม่ให้ดูงดงามสดใสให้สุดความสามารถที่จะทําได้ทรงมีพระราชโอการเด็ดขาดมิให้คนตาบอดคนง่อยเปลี้ยคนแก่คนโรคเรื้อนหรือคนป่วยชนิดใดๆ ออกมาสู่ถนนทุกสายในวันนั้นให้เก็บตัวปิดประตูอยู่ในเรือนคนหนุ่มแน่นแข็งแรงสุขภาพอนามัยดีมีแววร่าเริงเป็นสุขเท่านั้นที่จะได้ออกมาเฝ้าแหนต้อนรับเจ้าชายและในวันนั้นต้องไม่มีการหามศพไปสู่ป่าช้าเป็นอันขาดไม่ว่าการณีใดให้เก็บศพรอไว้จนกว่าวันรุ่งขึ้น ประชาชนกระทำตามพระราชโองการทุกอย่างได้พากันกวาดถนนทุกสายและรดน้ำเพื่อระงับฝุน่นได้ทาบ้านเรือนด้วยสีขาวประดับประดาสวยงามด้วยดอกไม้และระยะดอกไม้ตามหน้าประตูหน้าต่างบ้านของตนของตนและได้แขวนแถบผ้าสีต่างๆไว้ตามต้นไม้สองข้างถนนที่เจ้าชายจะเสด็จผ่านเพื่อที่เจ้าชายจะได้เห็นว่านะครนี้ งดงามราวกะ ว, ว่าเป็นนครแห่งเทพพยายดาในแดนสวรรค์ทีเดียวและเมื่อทุกสิ่งพร้อมแล้วเจ้าชายสิทธัตถจึงได้รับพระราชทานอนุญาตให้ออกจากวังได้ทรงประทับบนราชรถคันงามเสด็จประพาสถนนสายต่างๆ สรงทอดพระเนตรทุกสิ่งทุกอย่างในที่ทุกแห่งประชารชานทั้งปวงล้วนแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสยืนคอยต้อนรับอยู่ด้วยความดีอกดีใจที่ได้เห็นเจ้าชายต่างเปล่งเสียงพร้อมกันว่าชัยโยความชนะจงมีแด่เจ้าชายบางพวกก็วิ่งนำข้างหน้าเพื่อโรยดอกไม้ไปบนเส้นทางที่ราชรถผ่านไป พระราชาเมื่อทรงเห็นประชาชนทำตามพระประสงค์อย่างเคร่งครัดเช่นนี้ก็ทรงเบิกบานพระไทยเป็นที่ยิ่งด้วยมั่นพระไทยว่าการที่พระโอรสได้ประสบแต่สิ่งล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานนั้นคงจะระงับความคิดในการออกบวชซึ่งพระองค์เห็นว่าเป็นความคิดวิถานนั้นได้โดยเด็ดขาดเป็นแน่แต่ในที่สุด แผนการที่พระราชาทรงวางไว้เป็นอย่างดีนั้นได้เกิดล้มเหลวลงอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยปรากฏร่างชายชาราซึ่งผมงอกขาวโพลนมีผ้าขี้ริว้วพันกายกะระุ่งกระริงเดินขโยคเยกยเออกมาจากบ้านหลังหนึ่งข้างถนนนั้นโดยไม่ทันที่ใครแล่เห็นใบหน้าอันยู่ย่นเต็มไปด้วยจุดกระในตานั้นก็ช้ำแฉ่ฝ้าฟาง ในปากเล่าก็ไม่มีฟันแม้แต่ซี่เดียวเรือนร่างนั้นก็คล้อมงอจนต้องใช้มือทั้งสองที่เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกยันไม่เท้าไว้ไม่ให้ลม้มแกพยายามพยุงกายเดินปัดเป๋ปากอันซีดเซียวพึมพำบอลขออาหารด้วยเสียงที่แหบเครือขาดเป็นห่วงๆความหิวโหวยความอ่อนเพลียนั้นเล่าประดุดว่า แกจะต้องสิ้นชีวิตลงในขณะนั้นทุกๆคนในที่นั้นพากันรึ้งเครียดโกรธแค้นตะแก่คนนี้เป็นอันมากที่บังอาจออกมาสู่ท้องถนนในขณะที่เจ้าชายเสด็จมาถึงคนเหล่านั้นเข้ากลุ่มรุมขับต้อนชายแก่คนนี้ให้รีบกลับเข้าบ้าน ก่อนที่เจ้าชายจะทอดพระเนตรเห็นแต่กดช้าเกินไปเจ้าชายสิทธัตถะได้ทอดพระเนตรเห็นเสียก่อนส่งสะดุ้งในภาพที่เห็นตรงหน้ารับสั่งถามนายชันนะสารทีซึ่งนั่งอยู่ข้างๆพระองค์ว่านั่นอะไรหนอะชันนะนั่นต้องไม่ใช่คนแน่ๆถ้าเป็นคน ทำไมจึงโค้งงอเช่นนั้นเล่าทำไมเขาไม่เหยียดหลังให้ตรงๆงเหมือนเธอกับฉันทำไมเนื้อตัวของเขาจึงเหี่ยวย่นสั่นเทิมอย่างนั้นทำไมผมของเขาจึงขาวโพลนอย่างประหลาดไม่ดำเหมือนผมของเราตาของเขาเป็นอะไรไปฟันของเขาอยู่ที่ไหน คนบางคนเกิดมาก็เป็นอย่างนี้เลยหรือบอกฉันทีเถิดช น, นะว่านี่มันหมายความว่าอย่างไรกันนายช น, นะได้กราบทูลเจ้าชายว่าทูลกระหมอ่อมบุคคลที่พระองค์เห็นนี้เรียกว่าคนแก่งอมเขาไม่ได้เป็นเช่นนี้มาแต่กำเนิดเมื่อแรกที่เขาเกิดมาก็เป็นเช่นเดียวกับคนอื่น เมื่อเจริญวัยเขาก็เป็นชายหนุ่มที่ร่างกายเหยียดตรงพึงพายแข็งแรงมีผมอันดำสนิทมีดวงตาที่แจ่มใสแต่เมื่อเขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นานร่างกายก็ต้องเป็นเช่นนี้เป็นธรรมดาของคนชราทูนกระหม่อมอย่าไปเอาพระไทยใส่เลยเจ้าชายตรัสถามด้วยความแปลกพระไทยว่า หมายความว่านี่เป็นของธรรมดาหรือช น, นะเธอยืนยันว่าทุกคนในโลกนี้จะต้องเป็นอย่างนี้เช่นนั้นหรือต้องไม่ใช่แน่แน่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยทูลกระหม่อมทุกๆคนในโลกนี้เมื่อมีชีวิตนานเข้าจะต้องเป็นเช่นนี้ไม่มีทางหลีกเลี่ยงเลยทุกคนเชียวหรือช น, นะ เธอด้วยฉันด้วยพ่อของฉันด้วยชายาของฉันด้วยเราทุกคนจักไม่มีฟันจักมีผมสีขาวร่างกายจักโค้งงอและสั่นเทิมจักต้องใช้ไม้ยันกายเหมือนนายคนนี้หรือเป็นดังนั้นแน่ภูนกระหม่อมความชราเป็นสิ่งที่ป้องกันและหลีกหนีไม่ได้ เจ้าชายรับสั่งให้นายช น, นะขับรถกลับวังทันทีและแม้ว่าพนักงานเครื่องต้นจะจัดสรรพระกยาหารที่เคยทรงโปรดปรานมาถวายเจ้าชายก็ไม่ได้สนพระไทยที่จะเสวยแม้แต่นิดหนึ่งเมื่อเครื่องเสวยถูกนำกลับไปเหล่าโมโหรีก็เข้ามาฟ้อนรำขับกล่อมหวังเบนความหมกมุ่นคลุ้นคิดของเจ้าชาย ให้กลับมาจดจ่ออยู่กับความบันเทิงเริงรมนั้นแต่เจ้าชายกลับมองหญิงงามเหล่านั้นด้วยความสลดพระทัยว่าในวันหนึ่งสตรีเหล่านี้จะต้องเข้าถึงความชราแม้แต่คนที่สวยที่สุดร้องเพลงได้ไพเราะที่สุดครู่ต่อมาพระองค์ก็รับสั่งให้คนเหล่านั้นกลับออกไปแล้วทรงเอ็นพระวรกายลงบรรทมพักผ่อน แต่ก็ไม่สามารถจะหลับพระเนตรลงได้ตลอดปราตรีนั้นทรงครุ่นคิดแต่เรื่องที่ว่าสักวันหนึ่งทั้งพระองค์และชาญยาจะต้องเข้าสู่วัยชาราด้วยกันทั้งคู่จะต้องมีพระเกศหงอกขาวโพลนทั้งศีสัะพระพักก็จะเต็มไปด้วยความเหี่ยวย่นหน้าขยับข ย, ยงังพระโอษฐ์ที่ไร้พระทนนั้นก็จะดูหน้าสะอิดสะเอียน เช่นเดียวกับบุคคลที่พระองค์ได้เห็นเมื่อตอนกลางวันและพระองค์และพระชายาก็จะไม่สามารถทําความบันเทิงเริงรื่นใดๆให้แก่กันและกันได้อีกต่อไปเมื่อทรงคิดมาถึงตรงนี้พระองค์เริ่มฉงนพระทัยว่ายังไม่มีใครในโลกนี้สักคนเจียวหรือ ที่คิดค้นหาวิธีที่จะหนีให้พ้นความชราอันร้ายกาศนี้ก็หากว่าพระองค์จะพยายามให้เต็มความสามารถโดยพุ่งกำลังความคิดทั้งหมดเฉพาะแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วจะไม่สามารถค้นพบวิธีที่จะก่อประโยชน์แก่พระองค์แก่พระชายาแก่พระบิดาและทุกๆคนในโลกนี้ได้บ้างเจยวหรือและแม้พระราชา ผู้เป็นพระราชบิดาเองก็ไม่สามารถจะบรรทมหลับลงได้เช่นเดียวกันทรงเสียพระไทยยิ่งนักในเหตุที่เกิดบนท้องถนนนั้นตลอดราตรีพระองค์เฝ้าคิดหาวิธีที่จะโน้มน้าวพระไทยของปิโยร์ตไว้จากการเป็นนักบวชผู้เร่ร่อน พระองค์แสวงหาคณะระบำที่หลือชื่ออันประกอบด้วยสตรีงามล้วนทรงสเสน่ห์มีลีลายั่วยวนเป็นที่หนึ่งจากทุกแว่นแค้นตลอดจนสิ่งเพลิดเพลินสนุกสนานมาเพิ่มเติมบำรุงบำเรอพระโอรสของพระ อ, รองค์ อ, อีกหลายหลาอย่างแต่ก็ไร้ผลดังเคยเจ้าชายไม่ทรงแยแสไม่ใยดีในสิ่งเหล่านั้นกลับรกเปา ว, วิงวอน ให้ทรงอนุญาตประพาธพระนครโดยลำพังสักครั้งโดยไม่ต้องให้มีใครทราบล่วงหน้าชั้นแรกพระราชาไม่ปรารถนาจะประทานอนุญาตด้วยทรงหวันพระไยว่าเมื่อพระโอรสได้พบเห็นผู้คนซึ่งสารวนกับการทำมาหากิน ชนิดเหงื่อท่วมหน้าอยู่ตลอดเวลาจะเกิดสลดสังเวช ท, ที่สุดก็จะไม่อยู่ครองบัลลังสมคำทำนายแน่ๆแต่ด้วยน้ำใจเมตตาสงสารของพ่อที่มีต่อลูกยังเหลือจะประมาณนั้นพระองค์ก็เกรงว่าพระลูกรักจะโศกเศร้าเป็นทุกข์เพราะความไม่สมหวังจึงจำพระไทยอนุญาต ผลนั้นจะเกิดขึ้นประการใดก็ตามที่แล้วเจ้าชายแต่งองค์แบบคนหนุ่มสกุลดีทรงดำเนินด้วยพระบาทมีนายช น, นะซึ่งแต่งกายแบบชาวบ้านตามเสด็จไปเพียงคนเดียวโดยไม่มีใครจำได้ตามถนนที่เสด็จผ่านเต็มไปด้วยพลเมือง ซึ่งสารวลอยู่กับงานอาชีพนานาชนิดช่างเหล็กกำลังตีเหล็กบนทั่งด้วยค้อนขนาดใหญ่เพื่อทาเป็นเขียวเป็นล้อเกวียนเป็นเครื่องไถและสิ่งอื่นๆอยู่ข้างถนนหน้าบ้านของคนมั่งมีมีช่างทองกำลังทาและจำหน่ายเงินทองรู ป, ปรพรรณและเพชรพลอยนานาแบบถนนบางสายเต็มไปด้วยร้านย้อมผ้า ซึ่งกำลังตากผ้าสีสดหลากสีต่างๆกันบางแห่งเต็มไปด้วยร้านทาขนมซึ่งกำลังปรุงและกำลังขายให้ผู้ต้องการบริโภคเดียวนั้นก็มีแต่แล้วในขณะที่ทรงเพลดิดเพลินในภาพทั้งหลายอันเป็นที่พอพระทัยอยู่นั้นได้มีสิ่งหนึ่งมาทำลายความสนุกสนานเบิกบานนั้น ลงหมดสิ้นอย่างกระทันหันถึงกับต้องรีบเสด็จกลับด้วยพระไทยอันสลดหดหูเป็นครั้งที่สองด้วยขณะที่พระองค์เพลินพระหฤทัยอยู่นั้นทรงได้ยินเสียงร่ำร้องขอความช่วยเหลืออยู่ทางเบื้องหลังครั้นพระองค์สายพระเนตรหาก็ทรงเห็นชายคนหนึ่งนอนบิดตัวไปมาอยู่กลางฝุน่นด้วยท่าทางอันประหลาดตามหน้าตาเนื้อตัว ก็เต็มไปที่จุดสีม่วงอันหน้าขยะขแยงในตากรอกไปกรอกมาเขาต้องอัดใจเบ่งกำลังทั้งหมดเมื่อพยายามพยุงตัวลุกขึ้นมาแต่ไม่ทันจะตั้งตัวได้ตรงก็กลับล้มฟาดลงไปอีกโดยแรง ด้วยความเมตตากรุณาอันมีอยู่แล้วในพระนิสัยของเจ้าชายเป็นพ้นประมาณทรงวิ่งไปยังชายผู้นั้นทันทีทรงพยุงให้ลุกขึ้นนั่งให้ศรีรษะพาดอยู่กับเข่าของพระองค์เมื่อช่วยให้เขาค่อยสบายขึ้นบ้างแล้วจึงตรัสถามเขาว่าเจ็บปวดที่ตรงไหนและทำไมจึงยืนไม่ได้ชายนั้นแม้พยายามที่จะพูด ก็ไม่สามารถจะพูดได้เพราะหมดกำลังที่จะเปล่งเสียงจึงได้แต่ถอนใจอยู่ไปมาเมื่อนายฉันนะตามมาถึงได้ร้องขึ้นอย่างตกใจว่าทูลกระหม่อมอย่าทรงจับต้องคนป่วยเช่นนี้โลหิตของเขาเป็นพิษเขาเป็นกาลโรคมันกำลังเผาผลาญเขาอยู่ภายใน จนหายใจไม่สะดวกในไม่ช้าลมหายใจของเขาก็จักหมดไปเจ้าชายได้ตรัสถามว่าคนอื่นๆและแม้ฉันเองก็อาจเป็นเช่นนี้หรือทูลกระหม่อมก็อาจเป็นได้เหมือนกันขอพระองค์จงวางเขาเสเถิดเลิกจับต้องพระโรคร้ายนี้จะติดต่อไปถึงพระองค์ได้ยังมีสิ่งเลวร้ายอื่นๆเหมือนเช่นนี้อีกไหม นอกจากการโรคช น, นะยังมีอีกมากมายหลายชนิดซึ่งล้วนนำความทุกข์ทรมานให้พะยะค่ะแล้วไม่มีใครแก้ไขความเจ็บไข้เลยหรือมนุษย์ไม่อาจเอาชนะมันได้เลยหรือประหลาดจริงเนาะมันเป็นเช่นนั้นทูนกระหม่อมไม่มีใครทราบได้เลยว่าวันไหนเขาอาจเจ็บป่วย มันเกิดขึ้นได้แก่ทุกคนและทุกเวลาทุกคนเชียวหรือช น, นะแก่พวกเจ้านายทั้งหลายด้วยหรือแก่ฉันด้วยหรือเป็นดังนั้นพะยะค่ะถ้าดังนั้นทุกคนในโลกก็มีแต่ความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาละสิเพราะไม่มีใครจะรู้ได้ว่า คืนนี้เข้านอนแล้วรุ่งขึ้นจะกลายเป็นคนเจ็บป่วยเหมือนคนคนนี้ดังนั้นหรือฉันนะมันเป็นดังนั้นจริงๆทุนกระหม่อมไม่มีใครในโลกที่จะรู้ได้ว่าเขาจะล้มเจ็บลงและเมื่อทรมานถึงที่สุดแล้วเขากดตายตาย คำอะไรกันแปลกเหลือเกินชนนะตายคืออะไรทอดพระเนตรดูนั oh. <soit feminine> <yourself> ่น oh. สิพยาค่ะเจ้าชายทอดพระเนตรไปทางที่นายชนะชี้ได้ทรงเห็นคนกลุ่มหนึ่ง กำลังเดินร้องไห้มาตามถนนคนสี่คนหามแผ่นไม้กระดานซึ่งมีคนนอนนิ่งตัวแข็งทื่อแก้มยุบ ป, ปากอ้าอย่างน่าเกลียดแม้คนหามจะเขย่าอย่างแรงหรือสะดุดพลาดแพลงไปก็ไม่ออกปากบ่นว่าแต่อย่างใดและเมื่อคนกลุ่มนั้นผ่านพระองค์ไปได้หน่อยเดียวเขาก็วางคนคนนั้นลงบนกองฟืน แล้วจุดไฟลุกโพลงเป็นกองใหญ่น่าสยดสยองแต e> er. Larry, ่กระนั <universo> ้นคนที่ถูกเผาก็ยังนอนนิ่งเงียบแม้ไฟจะไหม้ลามถึงศีรษะตลอดเท้าของเขาแล้วก็ตามเจ้าชายตรัสถามนายชนะด้วยพระสุรเสียงอันสั่นเครือว่านี่ นี่มันอย่างไรกันฉันนะทำไมคนนั้นจึงนอนนิ่งให้เขาเผาอย่างนั้นเล่าทูลกระหม่อมคนคนนั้นเป็นคนตายแล้วเขามีเท้าแต่ไม่อาจวิ่งได้มีตาก็ไม่อาจดูอะไรเขามีหูแต่ก็ไม่อาจได้ยินเสียงเขาไม่มีความรู้สึกในสิ่งใดอีกต่อไปไม่ว่าความร้อนความหนาว ความสุขความทุกข์ใดๆเพราะเขาตายแล้วตายหรือฉันนะความตายหมายถึงสิ่งนี้หรือและฉันซึ่งเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องตายหรือพ่อของฉันยโสธราและทุกๆคนที่ฉันรู้จักพวกเราทุกคนในวันหนึ่งจะต้องตายเหมือนคนยากจนที่นอนอยู่บนกองไฟนี้ด้วยหรือ พอเ้คะ่ะทูลกระหมอ่อมทุกคนที่มีชีวิตจะต้องตายในวันหนึ่งโดยไม่มีทางใดจะป้องกันได้ไม่มีใครสามารถต้านทานการมาของความตายได้เลยพระเจ้าคะ่นะเจ้าชายทรงตะลึงนิ่งอึงเสด็จกลับวังอย่างเงียบกริบ ป, ประทับอยู่แต่พระองค์เดียว รุ่นรำพึงทั้งสิ่งที่พระองค์ได้พบได้เห็นมาว่ามันช่างโหดร้ายน่ากลัวนักที่ทุกคนในโลกนี้จะต้องตกอยู่ในอำนาจความแก่ความเจ็บไข้และความตายโดยไม่มีทางป้องกันแต่โอ้มันคงจะต้องมีทางรอดอยู่ทางใดทางหนึ่งเป็นแน่ฉันจะต้องค้นหาทางรอดนั้นให้ได้เพื่อตัวฉันเพื่อบิดาของฉัน เพื่อยะโสธราและเพื่อคนอื่นๆด้วยโอกาสต่อมานาอุทยานนอกวังขณะเมื่อเจ้าชายกำลังทรงมา้าวนไปวนมาอยู่นั้นทรงพบบุรุษผู้หนึ่งผมผ้ากาสาวพัส์สีเหลืองของบรรพชิตทรงสังเกตลึกซึง้งจนทราบถึงความสุขสงบเย็นของนักบวชผู้นั้นพระองค์ตรัสถามนายช น, นะ ถึงความประพฤติในการดำรงชีวิตของบุคคลประเภทนี้นายช น, นะได้กราบทูลว่านี้เป็นบุคคลที่สละแล้วเพื่อแสวงหาสิ่งดับทุกข์ของโลกเจ้าชายทรงพอพระไทยในคำคำนี้มากถึงกับประทับอย่างสบายพระไทยอยู่ในอุทยานนั้นตลอดทั้งวันและแล้วในขณะที่จิตของพระองค์น้อมไปสู่การออกจากบ้านเรือนนั้น ได้มีผู้มาทูลว่าบัดนี้พระชายาได้ประสูตรพระโอรสทรงลักษณะงดงามยิ่งนักแต่พระองค์ไม่ได้แสดงอาการดีพระไทยแต่อย่างใดกลับทรงพลังพระโอษฐ์เบาๆอย่างมือลอยว่าบ่วงเกิดขึ้นแก่ฉันแล้วบ่วงเกิดขึ้นแก่ฉันแล้วและโดยเหตุที่พระองค์ตรัส ด, ดังนี้ คนทั้งหลายจึงขนานนามพระโอรสของพระองค์ว่าราหุลซึ่งแปลว่าบ่วงนั่นเอง